ไปก็พิจารณาทำไปด้วยก็อย่างน้อยความสงสัยที่เคยมีก็หมดไปหรือว่าบางเรื่องบางอย่างที่เรา มองข้ามไปก็ได้กลับมาพิจารณาแล้วก็บางอย่างก็ทำให้เราได้สติที่จะลึกรู้ในสภาพธรรมะที่เป็นจริง อย่างคำง่ายๆนที่บอกมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาด mm. ก็ให้ผู้ฟังลองพิจารณาตามดูที่วุ่นวายกันทุกวันนี้ ส่วนมากก็เกิดจากประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่พวกพร้องเป็นใหญ่ก็เลยจะไม่ค่อยสะอาดทะเลาะกันแบ่ง พักแบง่งฝ่ายกันแต่เมื่อไรเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมเวลานั้นจะทำอะไรก็สะอาด เพราะไม่ถูกความโลภเข้ามาครอบนะครอบงำก็สุดท้ายที่จะมาดูๆในที่สุดความโลภมันก็กลับมาฆ่าบุคคลนั่นเองเริ่มต้นใหม่ๆก็ดูเหมือนจะดีนะความโลภแต่พอ มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความโลภนี้ทำให้วุ่นวายความโลภนี้ทำให้ไม่สงบสุขและต้องเหน็ดเหนื่อยกับมันมาก แล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อไม่ได้เหมือนที่ตนอยากแค่ได้ก็ทำอะไรที่มันผิดคันลองผิดกฎหมายผิดต่อผู้อื่นผิดต่อ ครอบครัวแล้วสุดท้ายเราเป็นคนที่คบไม่ได้ยมเคยเห็นคนที่คบไม่ได้ไหมนั่นคือคนที่เห็นเกตตัวแล้วก็ มีความโลภมากมันก็อยู่ในขายเดียวกันแต่เมื่อไรบุคคลที่รู้จักคำว่าประโยชน์ส่วนรวมทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น บุคคลเหล่านี้จะจะหาได้ยากกระดูพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมมาสี่สิบห้าพระพรรษาหรือสี่สิบห้าปีที่ได้กรำงาน กลางวันกลางคืนยามดึกเพื่อประโยชน์สุขของเบญยาสัตว์น้อยใหญ่่มองจุดนี้แล้วเราเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ ล้นวนแต่ทำประโยชน์สุขให้กับเบญญสัตว์น้อยใหญ่พระองค์ก็เหมือนประทีปนะคอยส่องทางให้เดินใครเดินตามพุทธเจ้าก็ได้พบ หนทางอันชว่าฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ภาวนาต้องน้อมเข้ามาสักนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของตนเองที่ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความโลภ ที่มันวุ่นวายมากเกินหรือเปล่าต้องกำหนดดู ด, ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้เท่ารู้ทันต่อสภาวะที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราหมดไป กับสิ่งที่ไม่มีสาระแล้วไปเข้าใจว่าเป็นสาระสารันจะสารโตยัตตวาอาซาันจะอาาระโตเตสารังอธิคัตชันติสัมมาสังกัปปะโคจาราซึ่งแปลผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไร้สาระ มีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระก็คือได้รับประโยชน์ก็มองดูในช่วงหลังโยมจะได้ยินจามากล่าวธรรมบ่อยๆว่ายศลาบสรรเสริญมันเป็นของว่างเปล่าในที่สุด ยมดูครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจการเวลาผ่านไปอีกไม่นานปีอำนาจนั้นก็หมดไปครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่อีกเวลาหนึ่งต้องหนีหัวซุกหัวสุนก็มีไม่มีอะไรเที่ยงแท้เทาอ่อ แม้ทรัพย์สมบัติที่ว่าเป็นของเราของเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังไม่สามารถจะแบกหามไปกับความตายได้มันก็เป็นอย่างที่ที่เห็นอยู่เพียงแต่ว่าใครได้พิจารณา ใครได้เจริญสติระลึกรู้ตามสภาพธรรมที่มีที่เกิดที่ดับที่เป็นอยู่เช่นพอเห็นสาระจริงเข้าใจจริงรู้จริงแล้ว <c oughs> เราต้องไม่หลงความเกิดและ เราก็ไม่หลงในขณะที่มีความตายหรือในขณะที่กำลังจะตายหรือยังไม่ตายคำว่าไม่หลงคือต้องไม่หลงสติคอยระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและสุดท้ายความเป็นแก่ตัวมันก็ กลับมาทำลายแล้วก็ทำร้ายตัวเองโยมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นละครเป็นหนังจอแก้วจอเงินหรือจะเป็นบทละครอะไรก็แล้วแตนะ่ทั้งเป็นละครเสียงหรือว่าเป็น ละครทางทีวีก็สุดแล้วแต่เราจะเห็นบทที่จะแสดงก็คือบทดีกับบทร้ายมันเป็นบทที่เดินคู่กันถ้าไม่อย่างนั้นบทแสดงไม่ได้เพราะว่ามันเดินไม่ไปบทมันต้องเดินด้วยคำว่าดีกับชั่ว สังเกตดูพอเริ่มแสดงก็สักครู่ก็พอเริ่มจะรู้แล้วว่าคนนี้ไม่ซื่อคนนี้ใจอำมหิตใจดำคนนี้ชอบรังแกผู้อื่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นคนซื่อไม่คดไม่โกงจน แต่ก็อยู่อย่างผู้รู้จักประมาณพอเพียงแม้มีเงินทองถ้าไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอเพียงอยากคิดว่าชาตินี้จะหาความสุขได้จากจิตใจตัวเองเนี่ยไม่มีทางถ้าคนหาความสุขจากจิตใจตัวเองไม่ได้ เราไปหาสุขนอกใจเนี่ยนะคิดหรือว่ามันใช่ยมดูเขามีขลับมีบามีโรงน้ำชาสารพัดแสงสีเสียงที่มีที่มนุษย์เราก็พยายามวิ่งหาความสุขนอกจิตเนี่ยนะ พอกินเหล้าไปพอเมาก็อาการก็สติเหมือนจะระลึกไม่ได้บ้างควบคุมไม่ได้บางโซเซบบางแล้วบุคคลไปเข้าใจว่านี่แหละความเมาเป็นความสุขมันใช่หรือ คนกินยาจนเป็นบ้าแล้วบอกมีความสุกนู่ไปยินอยู่เสาไฟฟ้าอะไรสุขปานนั้นนูไปยินอยู่บนหลังคาเ้อถือมีดประสาทหลอนอยากเข้ามาตายบางทีก็ฮิ้วเด็กไปด้วยดูดิก็รู้ว่ามีใครจะมาทำร้ายทำลายตัวเอง หรือบางคงก็นั่งเคลิมหรือหลับคาด้วยอาการมึนเมามันไม่ใช่พอสางเมาปวดหัวมึนงงกำลังวังชาเหมือนจะหมดต้องมาดื่มน้ำทานอาหารพักผ่อน ใครว่ามันเป็นสุขแล้วโอ้ถ้าเล่าเป็นสุขมันก็ดีดลนี่มันไม่ใช่ปัญหามันยังไม่ได้แก้แล้วเอาเล่าเนี่ยมาแก้ปัญหาไม่ใช่เห็นยิ่งเมายิ่งวุ่นวาย ไม่ใช่ปัญหายังไม่ได้แก้แล้วบอกกินเหล้าแล้วก็หายหมดปัญหาลองตัวเองคนหมดปัญญาที่จะคิดชีวิตใหม่ที่จะต่อสู้กับตัวเองหรือชะตาชีวิตที่เราจะต้องอดทนเนี่ยพอเรา ไม่สู้แล้วชีวิตหรือว่าไม่ยอมแก้กปัญหาเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่า น, นี้เข้ามาแล้วมันได้อะไรไม่เห็นสาระแต่ไปมองว่าเปลี่ยนสาระบุคคลเหล่า น, นี้ก็ไม่ได้พบสาระอันแท้ไม่ใช่ฉะนั้นใครที่ไปสแสวงหาสุขนอ ก, กจิตแล้วก็บอกได้เลยว่า มันเดินกันผิดทางแล้วนั่งด้วยแสงสีเสียงเต้นยังไงก็เต้นเต้นมากก็เหนื่อยนั่งหอบเหงื่อแตกมันสนุกกับเสียงเพลงอาะใช่เคริบเคริมไปในช่วงหนึ่งใช่ แต่ถ้าปัญหายังไม่แก้มันก็คือปัญหายังคงค้างใจอยู่ตรงนั้นจะอะไรมามมมเมากี่อย่างกี่ชนิดมันก็ยังไม่ใช่ที่จะให้ปัญหานั้นหมดได้มันต้องใช้ปัญญามันต้องใช้สติใช้สมาธิ ใช้ศีลศีล ส, สมาธิปัญญาเอามารวมกันเข้าเนี่ยโอ้เป็นอนุภาพที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ธรรมดายมดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค พระองค์แรกๆเลยก็มีความสุขเหมือนกับพวกเราน่สุขก็เรียกเป็นโลกีสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่พระองค์ก็ยังมีมีอยู่ความยินดีก็ยังมีชีพิธที่ยังครองเรือนอยู่ตรงนั้น แต่เมื่อพระองค์ได้เห็นว่าแท้จริงชีวิตที่เราอยู่อย่างนี้มันยังไม่ใช่เป็นความสุขแท้ในจิตใจมันก็เป็นได้แค่สุขภายนอกหรือสุขนอกจิตสูงนอกจิต ทำไมคนจึงเกิดความวิปริตขึ้นทำไมคนจึงเกี่ยวกราดทำไมคนจึงเดือดดาลทำไมคนจึงมีน้ำโหมบรรดาลโทสะอย่างนี้เป็นต้น เราต้องพิจารณาและก็มองให้เห็นสุดท้ายมนุษย์ทุกข์ในข้อแรกเลยนะยึดตัวตนของตัวเองมากไปแต่ไม่เข้าใจพวกเราก็เข้าใจว่า ถ้าได้ตัวตนมากเท่าไหร่ก็เป็นสุขมันก็ได้คำว่าโลคีสุขที่เกือกลัวอยู่กับความทุกข์ที่ยังไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นต้องละสังโยชนให้หมดจึงจะหลุดพ้นได้ ไม่ธรรมดานะต้องละสังโยชนให้หมดจึงจะหลุดพ้นได้ปุุ้ชนนะความมั่นหมายในสักยทิทิว่าตัวเราของเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราของเรานั้นไม่ได้กำหนดว่าไม่เที่ยงนะเราก็รู้สึกว่ามัน มันเป็นอย่างนั้นเที่ยงบางยึดมั่นใหม่นี่คือสังโยศที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ก็คือมีสักลทิฐิพวกเราทุกเรื่องสักลทิธิกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังเข้าใจว่าสุขนั้นเที่ยงอยู่ไม่เคยกำหนดว่าสุขนั้นคือเวทนา ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นภาวะให้กำหนเป็นเวทนาขันธ์ทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์จึงเชื่อว่าทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหรือเป็นกงกลางไม่สุขไม่ทุกขเป็นอทุกขมสุขเวทนานีข้อหนึ่งที่พวกเรามั่นหมายคําว่าโลกีสุข หรือปุถุชนยังยึดสักะยะัิทิฐิกันอยู่พอได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้กระทบใจของเราพอถูกต้องขึ้นมาก็มีความเคลื่อมไปกับสิ่งที่สัมผัสแล้วก็มั่นหมายมีความอยากยิ่งยิ่งขึ้นพอต่อมา มนุษย์เราก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่าวิจิกิชาคือความลังเลความสงสัยยังไม่แน่ไม่นอนบางคนยังสงสัยว่าดีทำดีแล้วได้อะไรเป็นคนดีแล้วมีอะไรตอบแทน รักษาศีลได้อ น, นิสงส์จริงหรือรักษาศีลแล้วเราจะได้อัตภาพแห่งความประเสรฐในความเป็นมนุษย์จริงหรือดูอได้เทวสมบัติจริงหรือหรื อ, อยังสงสัยต่อว่าเมื่อทำชั่วแล้วผลมันมีหรือไม่ เมื่อทำผิดแล้วเราจะได้รับโทษหรือไม่ถ้าใครจับไม่ได้นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้รับผลได้อานิสงส์จริงหรือถ้าชีวิตของเรายัางลังเลอย่างนี้ บอกได้เลยว่ายังเป็นมิจฉาจริงๆไม่อยากใช้คำว่ามิจฉาบอกเห็นผิดอยู่เป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิมันมีมิจฉาเหล่านี้อยู่แต่ตรงนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นความลังเลความสงสัยแต่พอเข้าถึงผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ววิจิกิจชานี้หมดเลยนะไม่ลังเลไม่สงสัยรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้คุณรู้โทษรู้นรก รู้สวัสด์รู้มรรคผลนิพพานมีรู้เห็นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าใจสบายมันไม่ขัดแย้งกันแล้วเ็าเรียกไปในทิศทางเดียวกันพอทำลายวิวจิกิารได้นะนั่งก็สบายนะ นั่งก็สบายก็เรียกใจมันดิ่งลงแล้วเป็นหนึ่งละถ้าใครยังตัดความกังวลวิจิกิจฉาลังเลโลเลอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันเดินไปได้ครึ่งทางนะครึ่งทางวัจออุบสรรค์ไม่เอาละ ลำบากเหนื่อยทำไปมันจะได้อะไรมันจะคุ้มไม่นอ้อกลับหรือเหนื่อยหน่อยไม่เอาแล้วกลับดีกว่าถ้านิสัยของพระอริยะแล้วไม่แม้ความตายอยู่เบื้องหน้าก็จะเดินไป เพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านทราบว่าหยุดอยู่ก็ตายถอยหลังกลับไปก็ตายเดินหน้าก็ตายแต่ตายแบบไหนที่เรียกว่าตายอย่างมีมรรคผลนี่คือสาระเจนันถ้าบุคคลที่ยังเห็นประโยชน์ตนเองมากเกินไม่รู้จักมรรคผลโอ้ย ลาบสการะเครื่องบรรณาการเนี่ยค่าคนมาเท่าไหร่ละโยมว่ามันค่าตั้งแต่เริ่มในการที่มีสมบัติจนถึงบัตรนี้ยังค่าก็อยู่สังเกตดูพอขัดผลประโยชน์กันเมื่อไหร่เอาแล้วเพื่อนกับเพื่อนนะ พี่ก็พี่น้องก็น้องเถอะเอากันแย่งกันของรักอย่างเดียวกันที่ชอบด้วยกันแล้วก็มีชิ้นเดยแล้วก็ตายกันข้า ง, างหนึ่งเชื่อไม่ละโยพี่น้องก็นี่แหละคลานตามกันมาเนี่ะเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาพอถึอีกเวลาหนึ่งขึ้นมานี่เหมือนตัดญาติกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะ ก็ ต, ต่างคนก็ต่างเอาตัวกันเอาความเิ็นแก่ตัวเอาตัวตนไม่ยอมเสียชะะื่เสเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเรื่องมันต้องเกิดไม่วันใดก็วันในดหรือแม้แต่ส่วนแบ่งใครก็อยากได้ส่วนแบ่งที่มากอายมดูตมาเคยยกในเรื่องของ ขนมเค้กใช่หไหมมีอยู่ชิ้นหนึ่งมีพี่น้องอยู่สี่คนก็แบ่งพ่าสี่ส่วนพาสี่ส่วนเท่ากันเป๊ะเลยแจกคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นอยู่ๆขึ้นมาไอคนพี่ก็บอกไม่ยุติธรรม น้องรองน้องสามน้องสี่ก็มองหน้ากันทำไมพี่ในเมื่อเค้กมันสี่ส่วนสี่พี่น้องแบ่งคนละส่วนข้าเป็นพี่ใหญ่ข้าเหนื่อยมากกว่าพวกเองข้าก็ตัวใหญ่กว่าแล้วแบ่งเท่ากันอย่างนี้มันจะยุติธรรมที่ไหนเห็นไหม คนโตทักแล้วค่าตัวใหญ่กว่าจะให้มากินเท่าไอ้น้องเล็กได้หรืองั้นส่วนน้องเล็กต้องให้ค่ามากกว่า น, นี้ไอ้น้องเล็กโวยไม่ได้มันต้องสี่ส่วนเท่ากันนี่เกิดกรณีพิพาทแลถ้าไม่มีการเสรียสระเล็กๆน้อยๆมันก็เกิดเรื่องขึ้นมา แล้วจนเป็นเขาเรียกว่าน้ำตาลหยดเดียวน้ำหวานหยดเดียวก็เนี่ยทำให้เกิดการทะเลาะบานปลายไปไอคนเล็กมันก็บอกไว่าเสียแรงที่เป็นพี่คนใหญ่เป็นพี่ยังไงไม่รู้จักการเสียสละให้น้อง ไม่น่าจะมาเป็นพี่เลยอย่างนี้ฉันก็ไม่นับถือเห็นไหมมันจะแตกกันแล้วขนมเค้กเนี่ยนะดูดิไอ้คุณ น, น้องมันก็ยุ่งจะเอาส่วนแบ่งของคุณ น, น้องไปเป็นพี่ภาษาอะไรเห็นแก่ตัวรังแกน้องถือว่าน้องตัวเล็กกว่าพี่จะต้องปกป้องเสียสละ พี่ไม่มีกินไม่เป็นไรคอยน้องมีกินอย่างนี้ถึงจะถูกแนะ่ไอ้คนน้องมันหัวดีนะมันพูดน่าฟังนะเออไม่ธรรมดาตัวเล็กเนะี่ยไม่ธรรมดาบอกให้พี่อดเพื่อให้น้องกินนะมันเลยยกตัวอย่างเหมือนพ่อแม่พ่อแม่ตายแล้วพี่จำได้พ่อแม่ฝากน้องไว้กับพี่อพี่กรรับปากใช่ไหม พอแม่บางทียังหิวกินไม่อิ่มยังแบ่งให้ลูกกินให้อิ่มกว่าชั้นใดพี่ก็ต้องทำเช่นนี้เหมือนกันฉะ น, นั้นนมเค้กส่วนนี้พี่ต้องได้น้อยกว่าเดิมต้องให้น้องมากกว่าเพราะน้องยังต้องโตขึ้นอีกเนะี่ยดูเหตุผลคนมันจะเอาตัวเองเห็นไโยมโอ้ดูเถอไอคนที่สองก็ น, น้อยทำไ่ นั่งฟังอยู่นานบอกยุดพี่ก็ทําไม่ถูกน้องก็ทําไม่ถูกฉันเนี่ยต้องได้มากกว่าเพื่อนเนี่ยดูที่ไอ้คนน้องคุณพี่กันถามว่าด้วยเหตุอะไรเอเหตุอะไรก็ตามคนที่หนึ่งต้องเสียฉันลักคนที่สองก็ต้องรองลงมาก็ต้องดูแล ทำหน้าที่ดูแลน้องอยู่ข่าเคยดูแลน้องไอ้เล็กเนี่ยข้าคอยดูแลมันตลอดมันถึงเวลาต้องตอบแทนคุณชั่นบ้างเห็นไหมไอ้เล็กโวยเลยอ้าวอ า, เ, อ า, เ, อาเลี้ยงและทวงคุณเล้วนี่ต่างคนต่างแกเอาผลประโยชน์ตัวเองนี่พี่น้องแค่ขนมเค้กเนี่ยนะไอ้คุณน้องตอบว่าคนที่สอง อ๋อเลี้ยงแล้วทวงคุณเหรอทวงคุณทวงบุญคุณเหรอถ้าฉันรู้นะไม่ต้องมาดูแลฉันหรอกพี่อย่างนี้ฉันไม่นับถือนุบอกอ๋อไอ้น้องในรคุนีเเ่เรื่องมันเกิดแล้วนะนี่หนุ่มเค้กนะโอ้ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเอามีดตั้งอยู่ใกล้ๆคนละเล่มนะดีไม่ดีตายทั้งสี่เลยนะ เห็น ไ, ไหมถ้าเลอกันแล้วไอ้คนที่ถามนึกว่าจะเป็นเป่าบุ้นจิ้นอม้ไม่บอกฉันก็ฟังอยู่นานแล้วพวกพี่ๆนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยพี่รู้ไหมทุกวันนี้ที่เรามีเค้กกินอยู่สมองของฉันนั้ง น, นั้น น, นสมองของฉัน คนใช้สมองเนี่ยรารู้ไม่ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนสมองเนี่ยมันจะต้องได้มากที่สุดฉะนั้นพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กผิดทั้งนั้นขนมเคก้กชิ้นที่มากกว่าคือของฉั น, นเอาสิโยมนี่หนมเค้กนะความสมรคีแตกหมดแล้วแตกหมด รู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ดีกินดีก็เพราะนี่แหละสติปัญญาของฉันเนี่ยฉันเป็นคนออกความคิดทั้งนั้นแหละส่วนแบ่งเนี่ยฉันต้องได้มากทไมาอย่างนั้นต่อไปฉันจะไม่ออกความคิดให้อีกอ้าวดูดิเห็น ไ, ไหมห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มันเจ๊งกันเพราะอย่างเงี้ยอยู่มันทะเลาะ ก, กัน โกงกันหักหลังกันว่าข่าทำมากข้าทำน้อยค่าออกสติปัญญาข่าลงทุนข่าลงแรงสรุปว่าเห็นประโยชน์ของตนเป็นหลักทั้งนั้นเลยยัง ไ, ไงโยมสี่พี่น้องครบไม่ได้สักคนเลยโยมจะครบไหมล้วครบก็ไปครบละแต่มาไม่ครบด้วยขนาดพี่น้องมันยังไม่ยอมแค่ขนมเค้กเนี่ยนะ มันยังไม่ยอมเลยโยจะไปหวังพึ่งอะไรอีกถึงว่าเออบุคคลเหล่านี้ไม่เคยรู้จักคำว่าประโยชน์ส่วนรวมเสียเล็กเสียน้อยไม่ได้สะละเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องขอให้ได้มากกว่าเขาสักนิดสักหน่อยก็อืมถูกต้อง แต่ถ้าได้น้อยกว่าหรือเท่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมันแปลกโยมดูพี่น้องแบ่งสมบัติตามมาบอกโอ้พอบอกแบ่งสมบัติขึ้นมาพี่น้องมันจะวิบัติกันอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตนะเพราะแม่ไม่แบ่งสมบัติก็ยังดีๆกันอยู่นะโอ้พอรู้จะแบ่งสมบัติเท่านั้นแหละพี่น้องไม่ค่อยกินกันนะไอพี่คนโตได้ด้านหน้า ไอเรามันคนที่สองได้ด้านหลังด้านหน้ามันจะเรินกว่าด้านหลังราคามันก็ตกแล้วแบ่งเท่ากันได้อย่างไรกันเราก็ต้องที่ด้านหลังมันเราต้องได้ที่กว้างกว่าสิเห็นหมเรื่องนิดเดียวมันก็ไม่ได้ไม่ได้บ้านนี้แม่ยกให้น้องเอา้ายกให้ได้ยังไง ฉันก็เป็นคนมีส่วนร่วมนะฉันก็มีส่วนร่วมนะที่ได้ทําเนี่ยพ่อแม่ตัดสิงนงี้ฉันไม่นับถือแล้วเอาจะตัดแม่จะแล้วนะ่ไม่เคารพกันแล้วนั่นมันเรื่องของส่วนตนทั้งนั้นประโยชน์นู่นแต่ที่ฟังมีโยมก็เป็นลูกศิษย์ต่อมาฟังแล้วก็ซึ้งใจ บอกพระอาจารย์เชื่อนะมทีวิตของผมเนี่ยนะเล่าแล้วมันตลกขำไปด้วยนะแต่ฟังจริงมันไม่ขำเท่าไหร่นะพระอาจารย์บอกเออในะเล่าด้วยดนะ้ยผมนี่นะพ่อแม่ผมเนี่ยทํา อ, อทําสวนผัก คนอื่นเขาได้สมบัติกันนะพ่อจารย์พ่อแม่ของคนอื่นญาติมิตรที่อื่นเขามีการแบ่งสมบัติมีเงินมีทองพ่อแม่ให้ของผมพ่อจารย์รู้ไหมของผมนี้ได้รับหนี้จากพ่อแม่มาขําม่ยอมได้รับหนี้จากพ่อแม่ยังติดหนี้ก็อยู่ ลูกต้องผ่อนผ่อ น, ผ, อนผ่อนชําระหนี้มันก็น่าขำมโยมแต่มันก็ไม่ขำนักที่โยมว่างั้นมีเรื่องอื่นไมโ ย, ยมที่ขำกว่านี้ฟังแล้วมันก็เออถึงบอกผมไม่เข้าใจนะคนอื่นจะอยู่ยังไงแต่ชีวิตครอบครัวผมผมได้รับหนี้จากพ่อแม่มาแล้วก็ต้องชดใช้หนี้ให้ สมบัติจริงๆผมไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นโยมหลายคนน่าดีใจนะว่าแม้เราจะได้สมบัติมาน้อยหรือไม่ได้ก็ดีกว่าที่รับภาระหนี้สินของพ่อแม่และต้องมาชดใช้ตอนที่ท่านจากแหวนโยมได้นิดได้หน่อยหน้าบูดหน้าเบีย้ยวไม่ได้ก็ไดกว่าไร้วาชนา จริงๆไม่ได้ก็ยังเสมอตัวเอาแม่มินี่ให้ทำไมต้องทะเลาะกันเพราะประโยชน์ของตนเนี่ยมันมันมั่นหมายมากเกินฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเนี่ยตัมาเชื่ออยู่คำหนึ่งนะอะไรที่เป็นของเรา มันก็เป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราถึงได้มาก็รักษาได้ไม่นานเชื่อธรรมาเถถึงได้มาก็รักษาไม่นานถึงวันนี้ไม่ได้บุญวาสนาบารมีสติปัญญาของเราดีโอกาสในภายพักหน้ายี่สสปีข้างหน้าเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาหรือมีเหตุอันทาให้เกิด ทรัพนี้ขึ้นมาได้จะร้อนใจไปไหนอะขอให้มีสติปัญญาอยู่ที่ไหนเราสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาได้ขอให้เรามีระเบียบ ม, มีวินัยในตัวเองมีความขยันอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสติปัญญาทําอะไราเนี่ยมองให้รอบคิดให้ ีท่ทวนแล้วค่อยทำอะไรนะโอกาสพลาดเนี่ยน้อยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่อออะไรเลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องไปแย่งแบบต้องเอาเป็นเอาตายนะคือเมื่อพูดแล้วความเหมาะควรที่คนพูดเราเราก็พูดแล้ว ถ้าพูดไปกว่านี้มันก็คือทะเลาะกันฆ่ากันก็ชีวิตมันอยู่ไม่นานนายโยมโยมว่าพวกเราจะอยู่อีกสักสักกี่ปีถึงใครมาให้พรบอกกอให้อายุยืนเป็นหมืน่นมื่นปีอยู่เป็นพันพันปีเนี่ยโอ้ยแต่มาเห็นคนเจ็ดแปดสิบสมัย ก, ก็ดูแล้วแย่แล้วน่ะ แย่แล้วหนังตามันห้อยลงมาจะปิดตาหมดแล้วนะยังไม่ถึงแปดเก้าสิบปีเลยเจ็ดสิบกว่าเท่านั้นแหละโยมทำท่าใส่นักมวยเดินเดินยังไม่ทันต่อจะล้มมวยก่อนแล้วนะจริง แั้ถ้าเรากําหนดได้พิจารณาได้พอถึงจุดหนึ่งเขาเรียกสีลรพัตตปรามาสคือการไปรูปคล้มสีการไปผิดสีการไปบวงสรวงเพื่อขออะไรแบบเป็นสิ่งที่จะบรรดานเนี่ยเลิกเขาเรียกเลิกเพอร์เจ ความหวังมีไม่ผิดความคิดมีก็ไม่ผิดแต่หวังอะไรคิดอะไรนะต้องพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าเรานะความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้จากการขอหรือบนบานสารกล่าวหรือไปเส้นสวงหรือไปฆ่าชีวิตอื่นแล้วบวงสรวงว่าพระพเจ้าจะช่วยให้เราสำเร็จช่วยให้เรามีโชคราบ ไม่ไดนะ้อย่างพวกปุโรหิตบางยุคนี้เป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมมากยุยงส่งเสริมไม่พระราชาดีฆ่าเส้นสวงบูชา ย, ยัญหรือบางลัทธิใช้เลือดเนี่ยนะเอาชีวิตมนุษย์ด้วยซ้าไปบางครั้งบางโอกาสถึงขนาดนั้น จนบางทีจะเอาคำว่าแม้แต่ลูกหลานภรรยาของตัวเองถูกตันแกร้งโปรโหิตก็เลยบอกถ้าพระองค์ต้องการชีวิตที่เป็นมงคลจะได้เมื่อสิ้นแล้วจะได้ขึ้นไปสู่ความเป็นพระอินทรพราต้องทำในสิ่งที่ยากที่หาได้ยากลูกสีเมียศีโอ้โหใว้ข่าอย่างนั้นเลยนะ ถ้าพวกเรามีปัญญาคิดนิดเดียวนะชีวิตการเบียดเบียนทำลายผู้อื่นและให้เราไปสู่ชีวิตที่จเจริญเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดค่าของคุ่บ้านคุ่เมืองอีกสี่เี่หาได้ยากทั้งหมดไม่ใช่มาก็มาตรกูลสินทบช้างก็ชัดทันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นลูกสีเมียสี โอ้ย ม, มามาที่ดีดีอีกสี เ, เนี่ยพระองจะได้ของวิเศษสุดยมเชื่อเลยไงค่าแพ้ค่าแกะอย่างละห้าร้อยอีกบูชายันสวงผู้ดุชนที่ยังมืดเนี่ยความเหินแก่ตนเนี่ยทำนะใครตายช่างมันขอให้ตัวเองคิดว่าดีเลิศเจริญ บางคนก็ยังใส่ร้ายคนตรงชิงให้เป็นกลังฉินให้ถูกประหารไม่ใช่ประหารธรรมดานะประหารเป็นโคดเลยนะไปใส่ร้ายว่าจุยงส่งเสริมว่าเป็นกบฏอะไรเนะี่ยโอเวลาก็ฆ่าสมัยก่อนเขาฆ่าเป็นตระกูลนะฆ่าล้างโคดเป็นเจ็ดชั่วโคตนะโยโอ้พี่น้องกี่ร้อยแปดเก้าร้อยคนพันคนตัดคอมัเลย ทำได้เลยโยมเพื่อกำจัดตระกูลนี้ไม่ให้มีเส้นหนามโอ้โหแต่มาบอกมันอมหิยิ่งกว่าอมหิตแหละไม่ใช่เลยนะฉะนั้นหนทางของพระอริยะสีลข้อนี้เนี่ย ไม่มีเลยคําว่าบูชาบวงสวงเพื่อเบียดเบียนชีวิตนะ่ะไม่ใช่แต่การบวงสวงไหว้ดินฟ้าอะไรที่คิดถึงเรื่องคุณเนะี่ยอะไรที่ไม่เบียดเบีย น, นถ้าทำแล้วรู้สึกดีธรรมาก็มองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเอาชีวิตของสิ่งอื่นมาบวงสวงธรรมะบอกคนนี้พูดได้เลยว่าคุณธรรมไม่ไปไหน อย่างหวังความเจริญตัวเองแต่ต้องค่าชีวิตคนอื่นมันไม่ใช่ฉะนั้นหนทางเหล่านี้มันยังไม่พ้นทุ ก, กตินะฉะนั้น่อมามานั่งดูทำไมพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าพระอริยเจ้าผู้ได้สวดาปฏิผลเนี่ยนะ ปฏิบัติธรรมอยู่สามข้อที่ท่านได้บรรลุกิงๆิงทำไมท่านปิดอัมบายพอมาดูข้อสามโอ้เห็นชัดเลยสีลพตะปรามาาคือไม่ถือมงคลตื่นข่าวบวงสรวงค่าอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น การเส้นไหวบูชาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยเลือดสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นชีวิตท่านอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนโอจริงฉว่าไม่รูปครามศีลท่านไม่ได้รักตัวและท่านก็ไม่ได้กลัวตายบางคนก็ รักตัวนะก็พยายามให้ตัวเองดีดขึ้นมาแต่พอถึงบทจะตายก็โอ้โหร้องขอชีวิตยมสังเกตไหมคนที่เหี้ยมโหดโอโ้เวลาฆ่าคนอื่นนวก็สั่งเหี้ยมโหดพอถึงตัวเองถูกล่าบ้างโอ้โหวิ่งร้องขอชีวิตมันน่าสมเพช จริงบอกพอดูข้อศีลตัวนี้แล้วท่านไม่ละเมิดในศีลข้อปนาธิบาตยงดูได้เลยใครที่บอกว่าเป็นพระอริยะแล้วที่เข้าใจว่าตัวเองได้โสดาบันดูศีลว่าหนักแน่นแค่ไหนดูศีลจะถูกใครยั่วยุขนาดไหนก็ตามท่านจะไม่ทําลายศีล ใครคิดฆ่าท่านท่านไม่คิดฆ่าคนนั้นใครคิดทำลายท่านท่านก็ไม่ได้คิดทำลายคนนั้นนี่คือศีลที่เข้าถึงความเป็นพระอริยจริงบอกท่านปิดอัมบัยยปุ่มแต่มานั่งดูปิดได้ยังไงท่านรักษาศีลมากกว่ารักษาร่างกายถ้ามีคนมาฆ่าท่านท่านไม่ฆ่าเขานะ ไม่ฆ่าไม่ฆ่าแสดงว่าจิตของท่านบรรลุจริงๆอย่างน้อยโสดาบันท่านผ่านแล้วไม่ความรักตัวกลัวตายเมื่อถึงเวลาแล้วท่านปล่อยวางชีวิตเกิดและต้องตายเร็วช้าก็ต้องตาย เสียใจก็เท่านั้นดีใจก็เท่านั้นท่านมีความเป็นปกติถ้ามาบอกโอ้โหระดับพระอริยเจ้าในพุทธศาสนาเรานะ่ไม่ธรรมดาระดับปัญญาเนี่ยก้าวไปข้ามไปอีกภูมิภพชาติเพราะท่านรู้ถึงว่าเมื่อท่านสิ้นแล้วชีวิต เหมือนคำหนึ่งง่ายๆบอกร่างกายเนะี่ยมันก็เหมือนกับมีวิ ญ, ญญาณมาครองแล้วก็ใช้พอะบทจะตายวิญญาณก็ออกจากร่างเพียงเท่านี้เองท่านต้องเสียใจไหมเปล่าเพราะอะไรเพราะภูมิภพชาติที่ท่านไปสู่ในสัมมาปรายภพเนะี่ยมันเป็นสุคติ ท่านจริงไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องตกใจเพราะท่านมองเห็นความสว่างความสะอาดและความบริสุทธิ์อยู่เบื้องหน้าท่านจะมาจมอยู่กองขูดมูลที่ท่านนั่งนอนเดินยืนอยู่ตรงเนี้ยนานๆเข้าท่านรู้สึกเบื่อนหน่ายด้วยซ้ำไปเบื่อนหน่ายนะอย่านิดว่าท่านหลงดีใจติดอยู่กับ กองคุดมูดที่ร่างกายที่ท่านนั่งอยู่นะปล่าจึงบอกเออท่านเข้าใจท่านเข้าใจรูปขันแท้จริงท่านรู้เรื่องรูปนามจริงๆท่านเข้าถึงรูปนามจริงๆความสงสัยหมดแล้วจึงบอกวิจิกิจฉาตรงนี้นเลยหมดจากความสงสัยจิตนี้สงบ ก, ออกว่าเราจะนั่งรู้ดูจิตของท่านกว่าเราจะเข้าใจหนทางวิถีจิตของท่านกว่าเราจะรู้การดำเนินแท้จริงเนะี่ยเราจะต้องปฏิบัติละเอียดพอสมควรนะไม่ใช่อารมณ์ฟูฟูแฟบแฟบบุบบวบ บทจะได้ก็เหมือนตัวจะลอยขึ้นไปอยู่ในเมฆบทอีกวันหน้าดำเหมือนตกลงอยู่ในขุมฐานตกนรกอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่มันคงไม่ฟูแฟบเร็วขนาดนั้นถึงบอกท่านเข้าใจนะความยกตัวเองถือตัวเองเนี่ย มากไปมันไม่ดีนะไม่ดีแต่การยกตัวเองออกไปเนี่ยให้เหลือธรรมะเนี่ยดีพิจารณาเข้าใจหลักแห่งธรรมะจริงๆแต่ไอความเห็นประโยชน์ตนส่วนตัวส่วนตนมากเกินในตมาดูมันเป็นทุกข์นะยมสังเกตไหมรักอะไรที่มันมากเกินกินนอนไม่ได้น่ะนะ ไม่ว่ า, าจะเป็นทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเกียรติชื่อสังเกตดูนะพยมมีใจกับสิ่งนั้นม า, มากๆไม่ปกตินะ่ะพยมลองระลึกดูหนะ่ยใครเนอที่เข้ามาในใจพยมมากสุดนั่นแหละห่วงของพยมนี่แหละอะไรเนาะที่โยมมั่นหมายที่สุดในสมบัตินั่นแหละ ห่วงองโยมทั้งนั้นเลยนะมันผูกไว้แล้วรู้หรือไม่ก็ตามแต่จิตมันมีเครื่องผูกอยู่มันคือสั่งยศนะบอกให้ฟังบางคนก็ถูกโซ่ทองผูกดีใจไหมทองคำเยอะโอ้โหอันนี้ผูกด้วยทองดีใจละโอ้โบางคนไม่ต้องโดนเชือกบอปั่นนะโดนอะไรไหม ใช้ชื่อเสียงผูกโอ้โหติดเงียกเลยบางคนใช้อะไรกมาโยบไม่ต้องถูกคุกตารางขังนะใช้เกียรติขังไว้โถดีใจใจเลยบางคนใช้มาตระกูลโอ้ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ได้มีววงมีบ่วงผูกครองรัฐสัตว์ได้มีพบไว้ ใครไม่รู้กันแล้วแต่แต่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วไม่หวนกลับไปสู่ชีวิตความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเลยไม่ต้องการหรือความเป็นเจ้าชายที่เคยเป็นมาไม่ปราถนาเลยบางคนนี้เขาใช้เพชรเป็นเป็นเครื่องโบกนะยมอย่าไปดีใจเขานะ บางคนก็ถูกใส่แหวนนะใส่นิ้วใส่คอบางทีเพิ่มหนักไปอีกนะโยมไม่ใส่นะั่นจะมีความสุขถูกหมไอเราไม่มีทำมานั่งทุกข์อีกแล้ว เ, เกิดมาวาสนาน้อยช่อยไม่มีแหวนไม่มีเดินไปนไหนไม่ทาคาดแล้วยมยมเชื่อเพราะเขากลับบ้านนะเขารีบถอดโอโยมไม่รู้ไปดูเบื้องหลังเด้เขารีบถอดโมมด อ, ห, อดโ ห, หน้าตาที่วาดมาเขารีบล้าง มานั่งเช็ดนั่งถูนั่งสารจะตายไปกว่าจอมานั่งแต่งอยู่ต้องให้คนอื่นดูได้งครึ่งชงั่วโมงยบคิดประดับโอ้โหกว่าจะหาของมัาประรับได้เดินไปหู้โหติ้งต้องติ้งต้อ ง, ง, อ, งอยู่เนี่ยมันหนัานากพูดไปหาว่าเขาอีกโยมจิ้จงเนี่นะพิจรารณาดูกลับไปกําไรมือกําไรคอกําไรสร้อยโอ้ยง่วงไม่ไหวแล้วรีบถอดให้มันเบาที่สุดเนี่ยสบายและนอน มีไมมคลนนอนซนี่ยสร้อยเต็มมือเต็มคอโอ้โหเต็มมือนอนไม่สะดวกอ่ะดีไม่ดีมันทิ่มคอตายห้องนี้ิ่งนั่นแหละชีวิตจริงชีวิตจริงนะออพอเราเข้าใจเครื่องผูกเนี่ยยศลาบสรรเสริญ แม้แต่โลกีโลกียสุขสุขที่เป็นโลกีสุขที่เป็นนอกจิตเนี่ยถ้าเรามั่นหมายมันก็ผูกทนะําไมคนนั่งใจลอยอยู่ว่าอ่าทายสิทำไมนั่งใจลอยเหมาร อ, อยบางคนเอามือไปอยู่ข้างหน้าในโบกยังมองไม่เห็นเลยเนหะมาร อ, อยนั่ง ถือช้อนคาขาข้าวอยู่คิดไปโน้คิดไปถึงหนงไปเดินสวนสนุกตัวรุ่งนะบางทีปากยังคาบข้าวเคี้ยวอยู่ก็นั่นใจมันลอยไปนะนะบางคนโน้ไปไหนโน้ไปอดีตย้อนกลับนึกถึงชีวิตที่เคยมีเคยเป็นพอนึกถึงปัจจุบันมันเหี่ยวแห้ง โหยอมอะไรที่มันเป็นความสุขมันก็สุขไปแล้วมันก็จบไปแล้วเราพยายามจะดึงความสุขนี้เที่ยงเหมือนสายน้ำให้คงที่ไม่ได้สายน้ำมันต้องไหลาการเวลามันต้องเปลี่ยนชีวิตทุกคนมันต้องหมุนเวียนไปตลอดคงที่ไม่ได้อาตมาบอกโยมเมื่อก่อนเนี่ยตามา เคยทะเลาะ ก, กับฝนฟังแล้วแปลกอาจารย์สมชาติทะเลาะ ก, กับฝนมาแล้วทะเลาะ ก, กับฟ้ามาแล้วดีไม่ผ่าทํามานี่พูดจริงนะตอนอยู่บนราชธานีวันนั้นเท ป, ปูนเทบุตรศาลชั้นสองธรรมะ ก, ก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ก็พอปฏิบัติบ้บางนะก็มาทำโยธา สร้างศาลาโอ้โหปเทปูนเทยังไม่ทันจบเลยโยมฝนซัดลงมาบู ห, หยืนมองทาใจไม่ได้เลยโยมตกหนักปูนมาไหลใจตาอมาก็ไหลไปด้วยโยมเอ้ยต่างฝนนี่เครียดแคลนชิงชังตาอมาชี้เลยหลังคาศาลายังได้มงฝนว่าไงทำงี้ได้ยังไงรู้ไหม รู้ไหมว่าของเสียเนี่ยเงินที่ยติยงก็ทําบุญมารู้ไม่เสียหายใครรับผิดชอบแน่ทะเลาะนะใครรับผิดชอบนี่จาเป็นคนนี่จะมาเอาเรื่องตายเลยนายโยมนี่ดีนี่เป็นฝนเป็นฟ้าชี้จริงๆไม่พูดเล่นพวกคนงานมองอ้เอาจริงไว้จานตรงนี้ดูดีของเสียจะทำยไงใครรับผิดชอบเงินก็ทําบุญมานี่ ต่มามองหินโพล่มาเลยโยมน้ำปูนไหลทรายไหลมีหินโพลมาแก้ ง, งานรอบสองนี่มันหนักกว่าทำใหม่อีกแย้แนใจทำอะไรไม่ได้จะโกนไเลยทะเลาะมาแล้วพอผ่านมาหลายปีนึกอเกินได้เสียหัวดีฟ้าไม่ผ่าหัวจริงไป สภาก็ตายฟรีเลยดันไปทะเลาะกับผู้มีอุปการะคุณพอตอนนี้บอกตอมาพูดกันแล้วตกก็ตกไปไม่ได้ว่าหลอแต่จะให้ของเสียนะพูดดีแล้วจริงๆก็แปลกตกหนักยังไงก็ตามงานตมาไปได้ของไม่เสียก็พอแต่งได้เสียนิดหน่อยก็แต่ง ต, ตกมันก็ตกตมาไม่ว่าแต่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ถ้าเรพูดดีเป็นมิตรกันได้อ่ะเอาสิโยมโยมลองพูดดีสิเขาบอกพูดดีเป็นสีแก่ปากเรื่องจริงนะถ้าเกินพูดมากๆก็อบอกปากไม่ดีนี่ก็เรื่องจริงโยมอย่าพูดมากเกินนะนี่จะมาบระเทศจบจะมาก็ไม่ค่อยพูดอะไรลังนี้ครับเนี่ยมาพูดอยู่ยาก็ตอนเนี้ยตอนบรรยายทำพอจบจากนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากแล้วก็ พอสมควรก็จบพูดมากก็มา ก, กเรื่องพูดเอาเรื่องมาม า, มากๆก็มีเรื่องอ ก, ก็เออเราพูดสิ่งที่เป็นสาระก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทะเลาะกับฝนเลยนะไม่ทะเลาะกับฟ้าพอแพรบมาก็ไปเถอะอย่ามาทางนี้เลย <c oughs> น่ากลัวนะเวลาฟ้าร้องฟ้าแลบแพรบมันมันผ่านหัวหมดเลยโย่ โอ้ผ่าซีกได้อย่าทำเล่นนะโยม อ, อาวุธอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างแสนอนุภาพก็ยังไม่เกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติสามารถล้างโลกไล่ภายในครึ่งชั่วโมงกูแผ่นดินไหวแค่เอาเจ็ดลิ ต, ตรนะโอ้โห อ, อยู่ไม่ได้เลยโยมทอร์นาโด ม, มาเป็นเอฟกก็อยู่ไม่ได้นะ้ะหมดแท็กเตอร์ยังลอยเราจรถไถโยม อะไรก็ไม่อยู่ต้นไม้นี่ลอยขึ้นไปเป็นโน่นแหละสูงเป็นร้อยร้อยเมตรไม่อยู่สร้างให้แข็งแรงอย่างไรก็ไม่อยู่วิศวกรออกแบบแค่ไหนก็ไม่อยู่แต่มาก็ดูถ้าฝนตกติดต่อกันสักสามสี่ห้าหกเจ็ดวันและตกจริงจริงจังจังนะพอดินอ่อนแล้วก็อิ่มน้ำจนดินมันจะอ่อนตัวมันจะไหลนี่เป็นโคลนลนะ พลายหมดทุกอย่างฉะนั้นพวกเราที่เกิดมานะอย่าประมาทในชีวิตที่มีอยู่โอกาสที่สร้างคุณความดีได้รีบบำเพ็ญปฏิบัติและอะไรที่พอพิจารณาว่าประโยชน์ส่วนส่วนรวมที่พอทำได้ต้องรู้จักมีใจอุทิศให้กับส่วนรวมบ้าง และก่อนละไอประโยชน์ส่วนตนของตัวเองบ้างเราจะได้มองเห็นโลกกว้างกว่านี้ไม่งั้นชีวิตมันมีแต่เครื่องผูกแล้วเราเองก็เมื่อไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเราก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่ก็คิดว่าสิ่งที่ทำนั้ถูกต้องแล้ว ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะได้มาหรือเห็นหมถ้าไย่งชิงมาสิ่งนี้จะได้มาหรือเงี้ยแต่ถามจริงแต่ได้มามันอยู่คู่กับเราแค่ไหนนานแค่ไหนยมต้องถามให้ถึงที่สุดสมบัติเมื่อแบกถามแล้วเอาไปไหนเอาไปฟังเหรอทำไมไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่มี ก่อนที่เราจะจากทรัพย์นี้ไปต้องพิจารณาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วอย่างนังวิสาขาเขาฉลาดในการสร้างบารมีทรัพย์ที่มีเขาสร้างบุญสร้างวัดเป็นวัดวัดไปเลยเขาสร้างกันไม่ธรรมดาไม่ น, นานบิณิกาเศรษฐีก็โอ้โหซื้อที่นะต้องเอาแผ่นทองตีวางให้เต็มพื้นที่เจ้าของที่จริงขาย เจ้าของที่ก็เป็นเศรษฐีโยมก็บพวกแบบไม่ขายถ้าจะซื้อเอาแผ่นทองมาปูให้เต็มเขาตึงขายเอาอนาบินกาเศรษฐีเอาเอาเอาแผ่นทองมารีดปูดให้เต็มเลยโยมเขารู้จักใช้ทรัพย์ใช่ไหมชื่อเขายังอยู่เศรษฐีอื่นๆไม่มีกล่าวถึงเลยแต่นางวิสาขากับอนาบินิกาเศรษฐี ชื่อยังอยู่ในการสร้างในเรื่องของการบริจาคหรือว่าการให้ทานไม่ธรรมดาฉะนั้นโอกาสที่เรามีที่จะสร้างกรรมดีเราควรที่จะรีบเร่งในการสั่งสมบุญไว้พราะวันที่จะจากไปนะโยไม่ต้องรอบุญอุทิศจากใครเลย เพราะคติของเราเนี่ยเราไปดีแล้ววิมานของเราก็มีรออยู่แล้วญาติของเราก็รอบริวารก็รออยู่แล้วจึงบอกการตายที่พระเยาเจ้าท่านจากไปนะท่านไม่ตกใจเลยเพราะท่านรู้ว่าร่างกายนี้เหมือนเป็นเพียงที่อยู่หมดเวลาท่านก็จากต้องตกใจไหม พวกเราพูดความตายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโหรานอะไรมากมายเนี่ยแต่พระย่าเจ้าท่านมองแค่นเองเรือนร่างเป็นเพียงที่อยู่เมื่อถึงเวลาจากเราก็สละไปแล้วก็จากไปสู่ภพที่ดีขึ้นง่ายนิดเดียวไหมแต่ของพวกเรานี่โอ้พิไรรำพันโศกเศร้าเสียใจตาเหลือกตาค้างจะตายกันเนี่ยนะเพราะไม่มีคติเบื้องหน้าที่จะรู้ มันสำคัญตรงนี้นะนะก็สมควรเวลาในการฟังธรรมก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้